สิ่งที่เธอเข้าใจสิ่งที่เธอได้ฟังเรื่องราวของฉันที่เธอมีเรื่องราวหลายอย่างที่เธอคิดว่าดีมันไม่จริงอย่างที่เข้าใจสิ่งที่ฉันได้ทำ มามันร้ า, ายร้รายรุนแรงเกินฉันจะอธิบายเรื่องจึงหลายอย่างที่บอกใครไม่ได้เพราะความจริงมันโหดราย มันจำเป็นที่ต้องยอมลามันไม่มีทางให้เดินออกนอกจากทางนี้ก็เพระฉันรักเธอรักจนหมดใจ ที่ผ่านมามันร้ายแ ร, ย ร, ยรงรุนแรงเกินฉันจะอธิบายเรื่องริงหลายอย่างที่บอกใครไม่ได้เพราะความจริงมันโหดร้ายมันจำเป็นที่ต้อง จำเป็ Yeah.